วิธีทมสมาธิแบบหลวงปู่มั่นโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลพระอาจารย์มหาบัวยาสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเสียงานโดยอริยะคุณชมรมพลดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยเจ้าภาพหลักอภินันสินทวัดและครอบครัวปิติเจริญคุณรวมกับคุณพ่อสุภกิจนิมมานรเทพอริยะพันธสิทธ์นทวิสาจำปาครอบครัวอิมวงศรี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 วิธีทาสมาธิแบบหลวงปู่มั่นบทนำท่านพระอาจารย์มั่นบูริทัตโตผู้รู้เห็นธรรมประจักษ์ใจด้วยปฏิปทาอนุราบเรื่อนดีงามที่ควรเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาได้อย่างเต็มปากเต็มใจองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันแต่ไม่ได้เขียนวิธีเดินจงกรมที่ท่านเคยดำเนินมาลงในประวัติท่านว่าท่านทาอย่างไรกาหนดทิศทางอย่างไรบ้างหรือไม่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 ทางเดินจงกรมตามที่ท่านกําหนดรู้ได้และปฏิบัติตามเรื่อยมานั้นมีสทิศด้วยกันคือตรงไปตามแนวตะวันออกตะวันตกหนึ่งไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้หนึ่งและไปตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งการเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้งสที่กําหนดไว้ในแนวใดแนวหนึ่งความสั้นยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้น ท่านว่าตามแต่ควรสำหรับรายนั้นๆไม่ตายตัวกำหนดเอาเองได้ตามสมควรแต่อย่างสั้นท่านว่าไม่ควรให้สั้นกว่า19สําสำหรับเวลาอยู่ในที่จำเป็นหาทางเดินมิได้ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราว2ีก้าขนาดยาวราว25ถึง39เก้าเป็นความเหมาะสมทั่วๆไปเฉพาะทิศทาง ท่านถือเป็นแบบฉบับและปฏิบัติตามนั้นจริงๆไม่ให้เคลื่อนคลาดในเมื่อจําเป็นจริงๆและสั่งสอนพระเนนให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยบางครั้งท่านเห็นพระเดินจงกรมผิดทางท่านยังเรียกมาดูดาสั่งสอนเอาบ้างว่าที่สั่งสอนหมู่คณะจะเป็นทางธรรมก็ดีทางวินัยก็ดีได้สอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไม่เคลื่อนคลาดแม้การเดินจงกรมซึ่งเป็นทางธรรม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 ดังที่เป็นมาแล้วและผ่านไปผ่านไปโดยไม่เห็นอะไรสาคัญความเป็นทั้งนี้จึงสอให้เห็นความไม่สำคัญของผู้มาอบรมศึกษาอย่างเต็มตาเต็มใจเวลาออกจากที่นี่ไปก็จะต้องนำลัทธินิสัยความไม่มีอะไรสำคัญนี้ไปใช้กลายเป็นเรื่องไม่สาคัญในตัวของผู้ปฏิบัติไปเสียสิน้นการมาอยู่กับครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ ยังไม่เห็นความสำคัญในคำตักเตือนสั่งสอนอยู่แลก็เท่ากับจะเริ่มสร้างสิ่งทําลายตนขึ้นในเวลาเดียวกันนี่แหลเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้สนิท ต, ตายใจกับหมู่คณะที่มาอาศัยว่าจะได้สิ่งที่เป็นสาระอะไรบ้างไปเป็นหลักข้อปฏิบัติในการต่อไปเห็นมีแต่ความไม่สำคัญไปเสียความจริงธรรมะที่นามาสั่งสอนหมู่คณะทุกๆแขนงได้พิจารณากลั่นกรองแล้วกลั่นกรองเล่า จนเป็นที่แน่ใจไม่ได้สอนด้วยความพรวดพราดหลุดปากก็พูดออกมาทำนองนั้นแต่สอนด้วยความพิจารณาแล้วทั้งสิน้นเคยได้อธิบายให้หมู่คณะฟังมาหลายครั้งแล้วจนน่ารําคาญทั้งผู้สอนผู้ฟังแทนที่จะพากันพิจารณาตามบ้างพอเป็นพยานแห่งการมาศึกษาจะทำไมความฝ่าฝืนจึงโผล่ขึ้นมาอย่างไม่อายครูอาจารย์และใครๆที่อยู่ด้วยกันบ้าง การพิจารณาทิศทางของความเพียนท่าต่างๆนี้ผมเคยพิจารณามานานและทราบมานานแล้วจึงกล้านำมาสั่งสอนหมู่คณะด้วยความแน่ใจเมื่อเห็นความฝ่าฝืนจึงทำให้อดสลดสังเวชใจไม่ได้ว่าต่อไปจะเห็นแต่ของปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระเนนเทนชีพุทธบริษัทเพราะความชอบใจความสะดวกใจพาให้เป็นไป มิใช่ความไตรตรองดูเหตุดูผลด้วยดีพาให้เป็นไปศา ส, สนานั้นจริงไม่มีที่ต้องติแต่ศาสนาจะต้องถูกติเพราะผู้ปฏิบัติดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลส ท, ที่มีเต็มหัวใจผมน่ะกลัวตรงนี้เองเพราะเห็นอยู่กับตาดังที่ว่าอยู่ขณะนี้แล่ดังนี้ซึ่งผู้เขียนได้เห็นท่านเรียกพระมาดุสั่งสอนอย่างเข้มข้นด้วยตาตัวเอง จึงจำไม่ลืมตลอดมาเมื่อมีโอกาสจึงได้นำมาลงไว้บ้างฉะนั้นทางเดินจงกรมเฉพาะท่านอาจารย์มั่นท่านมีแบบฉบับจริงๆดังกล่าวมาหมายเหตุผู้อ่านตามปกติพระท่านจะใช้คำแทนตัวเองเมื่อคุยกับญาติโยมว่าอาตมาแต่เมื่อพูดคุยกับพระด้วยกันมักจะใช้คำว่าผมหรือกระผมนะครับ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 ทั้งทิศทางของสายทางสำหรับเดินจงกรมทั้งวิธีเดินจงกรมทั้งการคลองผ้าหรือไม่ครองในเวลาเดินจงกรมทั้งขณะยืนรำพึงที่หัวจงกรมเวลาจะทำความเพียรในท่าเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกาหนดดูตามอริยะประเพณีทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่กาหนดทราบแล้วเรื่อยมาคือการเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะ ว, วัน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 เปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีหาสายญาตภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยอิริยาบถนอนหรือสีหาสายญาตการทําความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปั้นมือก็เพื่อชําระกิเลส ต, ตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันมิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรมะที่เคยใช้ประจําหน้าที่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 จบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นๆเสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึงเจริญพรหมวิหารสี่จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวมตั้งสติกำหนดจิตและธรรมะที่เคยนำมาบริกรรมกากับใจ หรือพิจารณาทำทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมมีสติอยู่กับบทธรรมะหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปอื่นจัดงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดินกวยแขน ไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน่นมองนี่อันเป็นท่าไม่สำรวมการยืนกำหนดรำพึงหรือพิจารณาธรรมนั้นยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกลางทางจงกรมยืนนานหรือไม่ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่หรือก้าวต่อไป เพราะการรำพึงธทรรมคือธรรมะนั้นมีความลึกตื้นอย่าละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจำเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปบางครั้งต้องยืนพิจารณากว่าร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งและก้าวเดินต่อไปการเดินกำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดิน นอกจากจะถือเอา9ก้าเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับ9ก้าได้การทำความเพียนในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียท่านั้นๆการขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่าขาดความเพียนในระยะนั้นๆผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากๆเท่ากับสนใจต่อธรรมะที่นำมาบริกรรม การขาดสติแม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจก็ตามแต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตามความมุ่งหมายการเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานา น, านหรือไม่เพียงไรตามแต่จะกำหนดเองการทำความเพียรในท่าเดินก็ดี ท่ายืนก็ดีท่านอนก็ดีท่านั่งก็ดีอาจเหมาะกับนิสัยในบางท่านที่ต่างกันการทำความเพียรในท่าต่างๆนั้นเพื่อเปลี่ยนอิรยาบถไปในตัวด้วยไม่เพียงมุ่งกำจัดกิเลสโดยท่ายเดียวเพราะทา่าขันเป็นเครื่องมือทำประโยชน์จำต้องมีการรักษาเช่นการเปลี่ยนอิรยาบถ ท, ท่าต่างๆเป็นความเหมาะสมสาหรับทา่าขันที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ ถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆธาตุขันต้องกลับมาเป็นค่าสึกแก่เจ้าของจนได้คือต้องพิกลพิการไปต่างๆนานาสุดท้ายก็ทำงานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายพระธุดงท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิตจิตใจจริงโดยมากท่านเดินครั้งละหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปตอนเช้าหลังจังหันแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรม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 ท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่นผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลาดับคันเริ่มแรกที่ริกิเลสกาลังแข็งแรงนี้ลาบากอยู่บ้าง ดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอบสลบคลอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะงัวงเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปงีบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้จะโ ง, ง่งวงทำพิษจึงทาให้เสียความจริงคือกิเลส ท, ทาพิษนั่นเองวันหลัง ยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเคี่ยนคนนี่และนักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวดลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรที่แรกนี่แหละตอนกิเลสโมโห พยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหานอนบ้างทำหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบางวันกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามวแต่นั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไป ห, หรือ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 สุดท้ายยอมมันพาเลยเถลิยไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียากมีมานแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุดไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บน่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าที่ติดอยู่กับตัวไม่เผลอพลาวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบตามเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุ วันหลังไปใหม่ก็เรียกกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่หละทางเดินคองกิเลสมันชอบเดินตามสูงสูงอย่างนี้หละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายๆแม้พระธุดงไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสนาติดตัวนั่นแหละท่านเครถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย โปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคลุยขับกลมให้อานสัญญาณว่า กิเลสมาก่อโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสีย จ, จนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่พันลวงมาแอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคําบริกรรม ให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่ว แ, แน่ต่อธรรมะที่บริกรรมเช่นกำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธ ท, ทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่าน น, นั้นๆไม่ขาดวักขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็น ถ้าจิตไม่เผอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสกกนผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่ได้โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ธรรมะมาสั่งสอนประชาชน ท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิบมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลดไปสามหนทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจักสุไปก็มีต่างๆกัน แต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสรศิฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นนั้นท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกันถ้าท่านยังมัวหึงหวงหวงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุคคลนดนวั ต, ตะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี้ และจะไม่มีใครแปลกต่างกันในโลกมนุษย์เราจะเอาแบบไหนดิ้นวิธีใดบ้างจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านเราเวลานี้ควรฝึกหัดคิดอ่านตัวเองบ้างในขนะที่พอคิดได้อ่านได้เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรนได้แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทาบุญให้ทานรักษาศีล ทำสมาธิภาวนาอยู่ในกองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมนได้เห็นมิตรไฟทำงานแต่ผู้เดียวจนร่างกายเป็นเท่าเป็นฐานไปถ่ายเดียวเท่านั้นเราเคยเห็นอยู่ต่อนหน้าต่อตาด้วยกันซึ่งควรสลดสังเวชและหน้าฝังใจไปนานการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา คือการกลั่นกรองหาสิ่งที่เป็นสารคุณในตัวเราซึ่งเป็นงานสำคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใดจึงไม่ควรยอมให้กิเลสตันหาอาวิชชามาหลอกเล่นให้เห็นเป็นงานล่อหลวงล่งลมจมปนปีไม่มีชิ้นดีความจริงก็คือตัวกิเลสเองนั่นแหละเป็นผู้ทําคนและสัตว์ให้ชิบหายปนปีเรื่อยมาถ้าหลงกลอุบายมันจงมีสํานึกตัวบ้าง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 มิใช่งานของพระพุทธเจ้ามิใช่งานของพระสาวกองค์ใดและมิใช่งานของศาสนาจะพึงโฆษณาให้คนเชื่อและนับถือเพื่อหวังผลจากการนั้นธรรมประเสริฐสามดวงที่กล่าวถึงนั้นเป็นความสมบูรณ์ตลอดการอยู่แล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากใครและอะไรแม้แต่น้อยงานนั้นจึงตกเป็นงานของเรา ของท่านผู้ต้องเผชิญกับความจําเป็นอยู่เฉพาะหน้าจะสแสวงหาทางหลบหนีปลีกตัวเต็มสติ ก, กำลังความสามารถของแต่และรายเพื่อแคล้วคลาดไปได้เป็นพักๆมิชัยจะนั่งนอนคอยสิ่งนากลัวทั้งหลายอยู่โดยไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลยเราวกับหมูคอยขึ้นเขียงด้วยความเพลิดเพลินในกลาบรำเพราะเห็นแก่ป่ากแก่ท้องเพียงเท่านั้นเพราะชาติมนุษย์กับชาติสัตว์ ตัวไม่รู้จักคิดอ่านไตรตรองอะไรเลยนั้นผิดกันลิบลับราวกับฟ้ากับดินไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้ร่างกายจิตใจไปทาหน้าที่รัคนคล้าคล้ากันกับสัตว์ที่ไม่มีความหมายในสารคุณอะไรนอกจากกระเทียมและหัวหอมที่เป็นของคู่ควรกับสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นการกล่าวทั้งนี้มิได้มุ่งติดเตียนทําลายท่านสุภาพชนทั้งหลายด้วยอัถธรรมที่กล่าวมา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 ทางที่พอจะทราบได้ก็คือการหัดอ่านตัวเองด้วยสมาธิภาวนาซึ่งเป็นอุบายที่ควรทราบได้ง่ายกว่าวิธีอื่นเพราะกิจนี้อยู่กับตัวทำหน้าที่อยู่ในตัวและคิดอ่านเรื่องของสัตว์โลกไปในตัวโดยตรงผิดกับถูกดีกับชั่วสุขกับทุก็มีอยู่กับตัวเมื่ออ่านบ่อยๆก็ค่อยทราบไปเอง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 มีหนทางหลบหลีกภัยไปเรื่อยๆพ้นไปได้โดยลำดับการเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่กับตัวไปทุกระยะที่ทุกขเกิดขึ้นแม้การพ้นทุกข์ก็ทราบว่าพ้นอยู่กับตัวด้วยกําลังสมาธิสติปัญญาพูดถึงความทุกข์ความเป็นความตายและภพชาติที่จะประเชิญกันมากน้อยเพียงไรก็ไม่วิตกกังวลเพราะได้ประมวลมารู้เห็นในขัน เฉพาะหน้าที่ร่วมรับรู้อยู่กับดวงใจดวงเดียวที่กำลังฝึกซ้อมตัวอยู่ขณะนี้แล้วยังเป็นอยู่ก็เย็นใจเพราะคุณธรรมอยู่กับตัวแม้ตายไปก็มีสุขโตรหรือสุขติเป็นที่อยู่สวยนี่คือผลของการทำสมาธิเดินจงกรมภาวนาสามารถยังผู้บาเพ็ญให้เกิดความรื่นเริงอาจหารได้ผิดคาดผิดหมายจึงเป็นกิจที่ควรทาเพื่อตัวเราเอง ไม่ควรประมาทซึ่งอาจเป็นภัยอย่างคาดไม่ถึงการกําหนดจิตตั้งสติในเวลาเดินจงกรมกรุณาทําเป็นล่ำเป็นสันสมที่เจตนามุ่งหน้าหาของดีการเดินจงกรมภาวนาเป็นการแสวงหาของดีที่ถูกทางไม่มีข้อควรตำหนินักปราชญ์ชมชยกันทั่วโลก ควรพยายามทําจิตใจให้สงบในเวลานั้นจงได้อย่าสักแต่ว่าทำจะเห็นความประเรสริฐอัศจรรย์ของตัวเองคือจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยของเศษเดนทั้งหลายจนขาดความสนใจคิดว่าสิ่งที่ถูกหุ้มหอนั้นไม่สําคัญยิ่งกว่าสิ่งเศษเดนที่หุ้มหอ่อจึงมักพากันหลงไปกับสิ่งนั้นจนลืมสํานึกตัวความจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่กระเดื่องเลื่องลือในไใรพบตลอดมานั้นก็ออกจากของเศษเด่นทั้งหลายออกมาแล้วนั่นแหลที่มีพระนามว่าพระพุทธบ้างพระสงฆ์บ้างตามอาการของผู้ทรงเมื่อปราศจากผู้ทรงแล้วก็เป็นธรรมะล้วนๆไม่มีคำว่าจิตว่าพระพุทธเจ้าอันเป็นสมมุติขั้นสูงสุดอยู่ในนั้นอีกเลยเหลือแต่คำว่าธรรมะ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 ยอมได้รับความสุขมากน้อยตามเหตุที่ชำระได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นผู้สิ้นทุกทางใจในท่ามกลางแห่งขันที่กําลังครองอยู่ดังพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ท่านที่ตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วย่อมเสวยวิมุตติสุขในขณะนั้นโดยไม่อ้างการสถานที่เลยขอแต่กิเลส ท, ที่เป็นตัวฆ่าศึกแก่จิตใจได้สิน้นสูญไปก็พอแล้ว ฉะนั้นจึงมีเพียงกิเลสอย่างเดียวกัน้นกลางขวางมรรคผลนิพพานไม่ให้จิตบรรลุถึงได้นอกนั้นไม่มีอะไรหรือผู้ใดมีอำนาจกัน้นกลางได้การสอนธรรมะจึงสอนลงที่จิตซึ่งเป็นทางที่ซ่องสุมของกิเลสทั้งมวลด้วยธรรมะปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่ในบรรดาธรรมะแก้ไขบุกเบิกการเดินจงกรม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 ของหมู่ชนมากเพียงนั้นศา ส, สนาและผู้ประกาศสอนธรรมะการสงเคราะห์โลกด้วยวิธีต่างๆโดยไม่คิดค่าตอบแทนในทางอามิตรและสินจ้างรางวัลใดๆชื่อว่าผู้สร้างความกระยิ่มปริมด้วยความเมตตาวิหารธรรมและจงรักภักดีแก่ประชาชนได้รับไม่มีวันจืดจางหรืออิ่มพอหลับลึกตื่นเขาย่อมระลึกบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ตลอดเวลา ไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่โลกนอกจากสร้างบุญสร้างคุณแก่ผู้อื่นเต็มตื่นไปด้วยความปีติยินดีโดยทั่วกันถ่ายเดียวเท่านั้นศา ส, สนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมะและอามิตรจึงเป็นเหมือนนายแพทย์และนางพยาบาลที่มีความสงสารเมตตาเที่ยวแจกยาและรักษาโรคให้หมู่ชนผู้จำเป็นที่ชีวิตอยู่กับยาและหมอแม้เขาหายโรคแล้ว แต่บุญคุณที่เขาระลึกต่อหมอผู้มีคุนนั้นจะไม่มีวันลืมเลยนี่แหละอำนาจของความดีไม่เลือกชาติชั้นวันนะย่อมมีความปรารถนาทั่วหน้ากันความดีและศาสนาจึงไม่ได้เป็นของล้าสมัยดังที่บางคนเข้าใจทั้งที่เขาก็ยังหวังพึ่งคนอื่นอยู่ด้วยความกระหายต่อความเมตตาอารีของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอันมีศาสนาเป็นแหล่งผลิตคนดี เพราะศาสนาเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งมวลถ้ามิใช่คนดีจะนำศาสนาออกสอนโลกไม่ได้แน่นอนหลักศาสนาอย่างน้อยก็คือหัวใจของคนดีนั่นแหลยิ่งกว่านั้นก็คือหัวใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติธรรมทั้งดวงดังศาสดาของศาสนาพุทธเป็นต้นจะเป็นใครอื่นมาจากที่ไหนที่จะมีแก่ใจและความสามารถ ใครบ้างที่มีแก่ใจเสียสละเพื่อหมูชนเหมือนหัวใจของเจ้าของศาสนาผู้นำธรรมะออกสอนโลกดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเสียสละเต็มพระทัยแล้วและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทำประโยชน์แก่มูชนถ้าไม่ใช่ท่านผู้มีใจขาวสะอาดปราศจากความเห็นแก่ตัวแล้วจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อโลกไม่ได้แล้ว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 คนที่เบื่อหน่ายเกลียดชังกันก็เพราะทราบเรื่องของกันคนที่รักชอบขอบใจตายใจเชื่อสนิท ต, ต่อกันก็เพราะทราบเรื่องของกันการแสดงออกแห่งศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ซึ่งเป็นการสะเทือนโลกกระทาดเพราะการปลุกปลอบใจสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับที่เคยจมอยู่ในกองกิเลสทั้งหลายให้ฟื้นตื่นด้วยธรรมจักที่หมุนไปด้วยอวริยสั์ของจริงอันประเสริฐ ทำไมจะทราบไม่ได้ว่าบุคคลเช่นไรเป็นผู้ประกาศและประกาศด้วยอัธยาศัยที่สัมปยุตด้วยอะไรถ้าไม่สัมปยุตด้วยพระเมตตามหาคุณล้นโลกแล้วผู้เขียนก็ไม่ทราบจะเรียนอย่างไรจึงจะสมใจของท่านผู้ผ่านทั้งหลายถ้าเป็นท่านเป็นเสมือนเราเราท่านท่านที่ขุดค้นดูในตัวในใจเห็นแต่ความคับแคบตีบตันความเห็นแก่ตัวแบบเข้ากับใครไม่ได้นี้แล้ว ศา ส, สนาและศาสดาจะไม่มีวันอุบัติขึ้นมาให้โลกกราบไหว้บูชาเป็นควันตาควันใจได้เลยเท่าที่โลกยังเป็นโลกและมีคนดีคนชั่วสับปนกันอยู่ก็ไม่สูญปราดราชบัณฑิตไปจากพันมนุษย์ก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งใจที่ขาวสะอาดของท่านผู้ไม่เห็นแก่ตัวกลัวคนอื่นจะดีกว่ามาชุบเลี้ยงโลมไว้ด้วยศาสนาธรรมนั่นเองจึงพอมีคนดีไปประดับโลก การเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ควรคิดเอาง่ายๆว่าเป็นภพที่เกิดได้ง่ายและตายยากแต่อาจเป็นภพที่เกิดง่ายตายยากและเกิดยากตายง่ายเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเพราะชีวิตเป็นอยู่กับธาตุขันเหมือนกันลมหายใจหยุดหมดความสืบต่อก็คือคนตายสัตว์ตายนั่นและจะเรียกอย่างไรให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกได้จะมีความเที่ยงทนถาวรที่ไหน พอจะประมาทนอนใจไม่คิดอ่านเรื่องของตัวพอเป็นสุขตินิสัยสืบไปในอนาคตวิธีนั่งสมาธิภาวนาการกล่าววิธีเดินจงกรมมาก็พอควร จึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาต่อไปพอเป็นหลักฐานของผู้เริ่มฝึกหัดเพราะงานทุกแขนงทุกชนิดย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินงานสมาธิภาวนาก็จำต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่าพึงนั่งขัดสมาดคือนั่งขัดสมาดตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนสสดาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย วางมือทั้งสองไว้บนตักหรือบนสมาดตั้งกายให้ตรงธรรมดาอย่าให้ก้มนักเงยนักอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดาไม่กดหรือเกรงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้ลำบากลอยวางอาวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดาแต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้วกรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียว ไม่พึงกลับมาทำความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิมโดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดิมเป็นการก้มเกินไปหรือเงยเกินไปเอียงซ้ายเกินไปเอียงขวาเกินไปซึ่งเป็นกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิตสมาธิภาวนาจะดำเนินไปไม่สะดวกดังนั้นพอเริ่มต้นทางจิตภาวนาแล้ว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 วิธีตั้งสติเฉพาะหน้าจิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้นไม่มีความแยบคายใคร้ครวนในตัวเองเป็นเพียงรู้คิดรู้นึกรู้เย็นรู้ร้อนจากสิ่งสัมผัสต่ตางๆเท่านั้นไม่มีความแยบคายใคร้ครวนไม่รู้การพินิจพิจารณาและตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดลงไปได้คือไม่รู้จักคิดถูกผิดชั่วดีโดยลำพังตนเอง จึงต้องอาศัยสติและปัญญาตัวรู้ตัววินิจฉัยใครครวนกำกับรักษาเพราะสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตนั้นมาไว้เฉพาะหน้าทำหน้าที่กําหนดรู้และรักษาจิตไม่ให้ทรงไปอื่นจากอารมณ์ที่ภาวนาการมีสติรักษาจิตอยู่ทุกระยะนั้นสติสัมปชัญญะจะถึงเป็นสมมุติ ที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอนการภาวนาด้วยบริกรรมกับธรรมะบทใดบทหนึ่งนั้นพึงให้เป็นไปตามจริตไม่ควรฝืนธรรมะบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้นพึงนำธรรมะบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ว วิธีนำคำบริกรรมภาวนาการนึกคิดบริกรรมภาวนานั้นจะนึกกับธรรมบทใดบทหนึ่งตามนิสัยชอบดังกล่าวมาแล้วก็ได้เช่นพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วกําหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติ แต่จะกำหนดธรรมบทใดก็ตามนอกจากสามบทนี้ก่อนจะเจริญธรรมบทนั้นๆทุกครั้งควรเจริญรำลึกธรรม3สามบทคือพุทโธธรรมโมสังโฆสามครั้งอันเป็นองค์พระรัตนตรรยก่อนจากนั้นคอยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไปเช่นอานาปนสติหรืออัตถิหรือตะโจเป็นต้น การที่ท่านให้มีคําบริกรรมภาวนาเป็นบทบทกากับใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่นก็เพื่อเป็นอารมณ์เรื่องยึดของใจในเวลาต้องการความสงบเพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติทั้งยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เนื่องจากจิตยังไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ท่านจาต้องมีบทเป็นคาบริกรรมเพื่อผูกใจ หรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้นการบริกรรมภาวนาในธรรมะบทใดก็ตามการุณนายาคาดหมายผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะ น, นั้นนิมิตต่างๆจะเกิดขึ้นในเวลานั้นหรืออาจจะเห็นนรกสวรรค์ขุมใดหรือชั้นใดในเวลานั้นเป็นต้นนั้นเป็นการคาดคะเนหรือเดา ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบให้แก่ใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลยและอาจทำใจให้ท้อถอยหรือหวาดกลัวไปต่างๆซึ่งผิดจากความมุ่งหมายของการภาวนาโดยถูกทางที่ท่านสอนไว้ที่ถูกควรตั้งจิตกับสติไว้เฉพาะหน้ามีคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยมีใจกับสติสืบต่ออยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธสืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติและพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมนั้นอย่าให้จิตเผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นระหว่างจิตสติกับคำบริกรรมมีความสืบต่อกลมกลืนกันได้เพียงไรยิ่งเป็นความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้น ผลคือความสงบเย็นหรืออื่นๆที่แปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็นอันจะพึงเกิดขึ้นให้ชมตามนิสัยวาสนาเวลานั้นจะเกิดขึ้นเองเพราะอำนาจของการรักษาจิตกับคำบริกรรมไว้ได้ด้วยสตินั่นแหละจะมีอะไรอื่นมาบัรดาลให้เป็นขึ้นไม่ได้ ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภาวนาโดยมากมักคิดและพูดกันเสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ดูกรรมดูเวรของตนและผู้อื่นข้อนี้ท่านมิได้มุ่งต่ออัตถธรรมสำหรับตัวจริงๆกรุณาสังเกตขณะภาวนาว่าจิตได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องดังกล่าวนี้บ้างหรือไม่ ถ้ามีควรระวังอย่าให้มีขึ้นได้สำหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็นเห็นผลเป็นความสุขแก่ใจโดยถูกทางจริงๆเพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นไม่ใช่ของดีดังที่เข้าใจแต่เป็นความคิดที่ริเริ่มจะไปทางผิดเพราะจิตเป็นสิ่งที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆที่ตนชอบได้แม้ไม่เป็นความจริงนานไปสิ่งที่น้อมนึกนั้น อาจปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวกับเป็นของจริงก็ได้นี่รู้สึกแก้ยากแม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้วก็ยิ่งทำความมั่นใจหนักแน่นขึ้นไม่มีทางลดละจะไม่ยอมลงกับใครง่ายๆเลยจึงได้เรียนไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่าให้จิตนึกน้อมไปในทางนั้น จะกลายเป็นนักภาวนาที่น่าทุเรศเวทนาทั้งที่ผู้นั้นยังทนงถือความรู้ความเห็นของตัวว่าเป็นสิ่งถูกต้องอยู่และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นไปในแนวของตนอีกด้วยจิตถ้านได้นึกน้อมไปในสิ่งใดแล้วแม้สิ่งนั้นจะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเองจึงเป็นการลำบากและหนักใจแก่การแก้ไขอยู่ไม่น้อย เพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับบรรดาอารมณ์ที่จิตเข้าเกาะเกี่ยวว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วประการใดนอกจากท่านที่เชี่ยวชาญทางด้านภาวนาซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วยังโชคโชนเช่นอาจารย์มั่นเป็นต้นนั้นท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอกท่านคลีคลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยจึงสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์ หรือครูชั้นเอกในการสอนกรรมฐานแก่บรรดาสิทธิ์ท่านผู้ใดจะมีความรู้ความเห็นในด้านภาวนามากน้อยทั้งภายในภายนอกมาเพียงไรเวลาเล่าถวายท่านจบลงแล้วจะได้ยินเสียงท่านแสดงออกด้วยความเข้มข้นมั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่างจับใจและหายสงสัยทั้งท่านที่มาเล่าถวายและบรรดาสิทธิ์ที่แอบฟังอยู่ที่นั้น ทั้งเกิดความรื่นเริงในธรรมนั้นสุดจะกล่าวแม้ผู้นั้นจะยังสงสัยในบางแขนงขณะท่านอธิบายจบลงแล้วได้แยกแยะ เ, เรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ้ำอีกท่านจะชี้แจงเหตุผลของสิ่งนั้นๆให้ฟังทันทีด้วยความมั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านจะว่าท่านองค์นั้นว่าท่านลงไปจมกองมูดกองคูดอยู่ทาไม ผมเคยงมมาก่อนท่านแล้วและล้างมือด้วยสิ่งซักฟอกต่างๆทตั้งสามวันก็ยังไม่หายกลิ่นและท่านยังขยันนำสิ่งนั้นมาทาตัวชโลมศีสษะโดยเข้าใจว่าเป็นน้ำหอมอยู่หรือนั่นคือกองมูดคูดที่เขาถ่ายมาได้สองสาวันแล้วซึ่งกำลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ท่านอยากกล้าหาญอวดเก่งไปสูดดมเล่นเดี๋ยวน้ำในบอ่อจะหมดแต่สิ่งที่ท่านนึกว่าหอมนั้นจนบัดนี้ยังไม่หายกลิ่น แต่ว่าผมไม่บอกผมเคยโดนมาแล้วจึงได้เข็ดและรีบบอกกลัวท่านจะโดนเข้าไปอีกถ้าไม่มีน้ำล้างอาจร้ายกว่าที่ผมเคยโดนมาทั้งที่มีน้ำล้างยังแย่และเข็ดอยู่จนป่านนี้ดังนี้ซึ่งเป็นคำที่ออกรถอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนซึ่งมีนิสัยหยาบท่านผู้มีนิสัยละเอียดอาจเกิดความขยาขยังไม่น่าฟัง แต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้นเป็นคำยืนยันอย่างหนักแน่นแม่นยำในใจทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคยผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟังและหายสงสัยในสิ่งที่ตนยังเห็นว่าถูกว่าดีนั้นแล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจจะไม่โดนกองมูดกองคูดอีกซึ่งร้ายกว่าคำที่ท่านชี้แจงให้ฟังที่คิดว่าเป็นคำหยาบเสียอีก การยกธรรมะท่านมาแสดงบ้างก็เพื่อท่านนักอบรมทั้งหลายจะได้นำไปเป็นข้อคิดว่าความรู้ทางด้านภาวนานี้ไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดที่พอจะยืนยันได้ทีเดียวโดยไม่ได้ไตรตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาก่อนนอกจากที่ท่านที่ชำนิชำนานมาอย่างเต็มภูมิแล้วนั่นไม่นับเข้าในจำพวกที่กำลังเห็นกองมูดคูดที่ท่านตาหนิว่าเป็นของดี แล้วชื่นชมในความรู้เห็นของตนแม้ผู้เขียนเองก็เคยอวดเก่งในความหางอึงของตนและถกเถียงท่านแบบตาแดงมาแล้วจนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะทำอยู่เสมอรู้ขึ้นมาอยู่เสมอและสาคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอคำถกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องดีแล้วเหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาตีเอา จนแทบศีสะไม่มีผมเหลือค้างอยู่นั่นแหลจึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจากปัญหาคุยไม่ไ่คือปัญหาค่าตัวเองของตนที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหนนอกจากท่านตีเอาอย่างถนัดมือแล้วก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ใส่แผลเอาเองเท่านั้นจะได้ดีกรีอะไรมาจากความฉลาดหางอึงนั่นเล่า ที่ว่าท่านยื่นยามาให้ไปใส่แผลเอาเองเท่านั้นได้แก่ท่านแก้ความรู้ความเห็นทั้งด้านภาวนาที่ตนสำคัญผิดไปนั้นแล้วเรากลับยอมเห็นตามท่านกว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุและผลที่ถูกท่านเข็นเอาเจ็บพอเข็ดหลับที่เรียกว่าถูกตีนั่นแหละฉะนั้นจึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับคนที่ยังหลงอยู่ในกองกิเลสนั้น ผิดกันอยู่มากถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้ความรู้ความเห็นผิดนั้นลอยให้เฉพาะพวกที่เก่งแก้กันเองที่นั้นจะต้องกลายเป็นเวทีมวยฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้แบบไม่มีใครกล้าจองตัวเข้าฟังด้วยได้แน่นอนเพราะกลัวจะไปะเหยียบน้ำลายของนักมวยฝีปากบนเวทีเสียจนลื่นและเลอะไปทั้งตัวโดยไม่มีผลดีอะไราติดตัวมาบ้างเลย ทั้งนี้เพราะความรู้ภายในจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมากอยากจะกำหนดได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้องลูบคลำผิดก็คลำถูกก็คลำคลำทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งรากแก้วรากฝอยทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทาบ้านเรือนคือเครื่องอยู่ของจิต ที่ภาคภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้นแล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเองทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช่วิจารณญาณก็เป็นทานองนี้เหมือนกันอะไรอะไรก็จะเหมาเอาเสว่าถูกไปหมดเวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟังว่าที่พูดเป็นนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้างแต่จะเข้าใจว่าถูกแลพูดฟุ้งไปทีเดียว ความเสียหายจึงไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่พิจารณาสำรวมให้รอบครอบและรู้จักประมาณเพียงเท่านั้นยังมีส่วน8ดเปื้อนละเลือนแก่วงพระศาสนาอันเป็นจุดส่วนรวมอีกด้วยจึงควรสำรวมระวังให้มากเป็นการดีขณะนึกคำบริกรรมภาวนาที่เป็นความถูกต้องท่านนักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตน โดยเฉพาะในขณะนั่งบริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่งที่กำหนดไว้ถูกต้องแต่ต้นแล้วคือขณะภาวนาที่กำลังทำความกำหนดจดจ่อกับงานที่ทำนั้นกายอาจเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาไปบ้างเพราะขาดความสนใจกับกายเวลานั้นมีความสนใจกับการภาวนาโดยเฉพาะดังนั้น แม้กายจะเอียงไปบ้างก็ตามแต่จิตขออย่าให้เอียงไปจากอารมณ์ภาวนาเป็นการดีเพราะจุดสำคัญที่ต้องการจริงๆอยู่กับภาวนาถ้าจิตมากังวลกับกายอยู่เรื่อยๆกลัวจะเอ็นหน้าเอียงหลังทำให้จิตเผลอตัวจากคำภาวนาไม่อาจเข้าสู่ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตนเพื่อให้จิต ได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้นจึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอกแต่ควรทำความจดจ่อต่อคำภาวนาอย่างเดียวจนสติสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมายแม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่ภวังคือที่พักผ่อนตัวความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกายเป็นต้นก็ตาม เวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเอ็นกายเอ็นเอียงไปในลักษณะต่างๆก็ไม่ควรสงสัยข้องใจว่ากายนั่นไม่เที่ยงตรงตามที่กำหนดไว้การกังวลทางกายและกังวลทางใจนอกจากก่อความวุ่นวายให้แก่จิตที่ไม่รู้หน้าที่ของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏยิ่งไปกว่า กายกับใจเกิดยุ่งกันในเวลาภาวนาโดยไม่รู้สึกตัวจึงควรทำความเข้าใจไว้แต่ขณะเริ่มลงมือภาวนาที่ตั้งฐานสูงต่ำแห่งอารมณ์ของจิตกรรมาฐานบางประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิต ย่อมมีฐานเป็นตัวอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บฟันมีฐานเป็นของตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนหนังบางส่วนที่ถูกกำหนดเป็นฐานย่อมทราบว่าอยู่ในที่เช่นไรสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นๆพึงทราบไว้ว่ามีอยู่อารมณ์แห่งกรรมฐานในที่เช่นนั้นๆสูงหรือตามประการใดสิ่งนั้นๆ มีฐานของตนที่เป็นอยู่ตายตัวผมตั้งอยู่บนศรีรษะมีส่วนสูงเป็นที่อยู่นอกนั้นเช่นหนังผมขนเอน็นกระดูกมีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่จะกำหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานและอาการนั้นนั้นตั้งอยู่ในที่เช่นไรเวลากำหนดสิ่งนั้นนั้นเป็นอารมณ์ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูงหรือต่าประการใด กรุณาทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้ น, น, นเวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนาพึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมเช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอียงไปบ้างไม่สำคัญความสูงหรือต่ำที่เรากาหนดไว้เดิมอย่างไรก็ปล่อยตามสภาพเดิม อย่างกรรมฐานที่เคยกำหนดแล้วว่าอยู่ในที่เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆโดยเข้าใจว่าเคลื่อนจากที่เดิมถ้ายกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญของใจจะทำให้เป็นกังวลไปกับฐานะนั้ น, น, นไม่เป็นอันกาหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัดชัดเจนเช่นกาหนดกระดูกศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจน เหมือนกับดูด้วยตาเนื้อแต่แล้วเกิดความสําคัญขึ้นว่ากระดูกศรีรษะนั้นได้เคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริงแล้วกําหนดใหม่ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างความลูกคลําสงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นๆให้แนบสนิทลงได้ที่ถูกควรกําหนดอาการนั้นๆ ให้อยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นภาพแห่งอาการนั้นๆด้วยความรู้สึกทางสติไปตลอดสายแม้ภาพของอาการนั้นๆจะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือแสดงอาการแตกสลายไปก็ควรกำหนดรู้ไปตามอาการของมันโดยไม่คำนึงถึงความสูงต่ำที่เคยกำหนดไว้เดิมการทำอย่างนี้จะทำให้จิตแนบสนิท และเกิดความสลดสังเวชไปกับอาการที่กําหนดซึ่งแสดงอาการแปรสภาพให้เห็นอย่างเต็มใจการกําหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลมก็เหมือนกันเมื่อกําหนดลมทีแรกได้กําหนดไว้ในที่เช่นไรเช่นกําหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้นเวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ ว่าลมได้เคลื่อนจากดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้นแล้วตั้งลมที่ดั่งจมูกใหม่ดังนี้เรียกว่าก่อกวนตัวเองด้วยความสำคัญจะไม่เกิดผลได้เลยเพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมด <_ t otal> เพื่อความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆจึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆ คือพึงทำความรู้ชัดในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลมแม้ฐานของลมจะปรากฏว่าสูงต่ำหรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจก็ตามจะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลยยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแนบต่อกันไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลม ลมหายใจดับไปในความรู้สึกขณะภาวนาอาณาปานสติในบางครั้งที่สุดของลมคือดับไปที่สุดของใจคือรวมลงสนิทหมดความรับผิดชอบกับลมตั้งอยู่เป็นเอกจิตคือมีอารมณ์เดียวเพียงรู้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดต่อไปอีกที่เรียกว่าจิตรวมสนิททางสมาธิภาวนา แต่ผู้ภาวนาอาณาปานาสติเมื่อเข้าถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นเกิดตกใจด้วยความคิดหลอกตัวเองว่าลมดับต้องตายเพียงเท่านั้นลมก็กลับมีมาและกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิมจิตก็หยาบสุดท้ายการภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหนคงได้เพียงขั้นกลัวตาย แล้วถอยจิตถอยลมขึ้นมาหาที่ที่ตนเข้าใจว่าจะไม่ตายนี้เท่านั้นการภาวนาแบบนี้มีมากรายในวงปฏิบัติจึงได้เรียนไว้บ้างเพราะอาจเกิดแก่ท่านที่ภาวนาอาณาปณสติเป็นบางรายแล้วอาจเสียท่าให้กับความหลอกลวงนี้ได้การภาวนาเพื่อเห็นความจริงกับลมในอาณาปาณสติ กรุณากำหนดลมด้วยสติจนถึงที่สุดของลมและของจิตจะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญคือขณะเจริญอาณาปานาสติไปจนถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นโปรดทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะดับไปจริงๆก็ตามเมื่อความรู้สึก คือใจอยังครองตัวอยู่ในร่างนี้อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอนลมจะดับก็จงดับไปหรืออะไรอะไรในกายจะดับไปตามลมก็จงดับไปตามธรรมชาติของตนสําหรับใจผู้ไม่ดับไม่ตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจะกําหนดดูให้รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกขณะนี้แต่จะไม่เป็นกังวลกับอะไรที่เป็นสภาพเกิดเกิดดั บ, ดบ เพียงเท่านี้จิตจะตัดความกลัวและกังวลต่างๆที่เคยสั่งสมไว้ออกได้อย่างไม่คาดฝันและสงบลงถึงฐานของสมาธิโดยไม่มีอะไรมากิดคว้างได้เลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคกิดคว้างขณะลมจะดับหรือขณะลมดับไปก็มีเฉพาะความกลัวตายเท่านั้นเองพอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยอุบายดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต่อไป ความกลัวหายหน้าไปเลยไม่อาจกลับมาหลอกได้อีกเราจึงพอมองเห็นเล่เหลี่ยมของกิเลสได้ชัดเจนตอนนี้แหละครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดังความคาดคิดก็ยิ่งทำให้เห็นตัวมารที่แสนปั้นเรื่องขึ้นหลอกได้ชัดเจนฉะนั้นท่านที่ภาวนาอาณาปานสติกรุณาจำหน้ามารตัวนี้ไว้ด้วยดีเวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไข และดำเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลดังองค์ศาสดาท่านที่ทรงดำเนินธรรมบทนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้และนิพพานด้วยธรรมบทนี้เป็นบาทฐานพวังขจิต คำว่าจิตตกภวังบางท่านอาจไม่เข้าใจจึงของอธิบายไว้บ้างเล็กน้อยคำว่าผวังแปลอย่างปะปาตามนิสัยที่ถนัดใจจึงของแปลว่าองค์แห่งพกหรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชชามาตั้งแต่ดึกดำบันแสนกับนับไม่ท้วนคำว่าจิตตกภวังคืออวิชชารวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียว ไม่ทำงานและไม่ใช้สมุนให้ออกเที่ยวล่าเมืองขึ้นตามสายทางต่างๆนั่นแหละทางออกทางเข้าของสมุนอวิชาคือตาหูจมูกลิ้นกายเมืองขึ้นของอวิชาคือรูปร้อยเสียงร้อยแปกลิ่น 108, ร้อยแรสร้อยเครื่องสัมผัสร้อยซึ่งล้วนเป็นที่รักชอบของอวิชาทั้งสิน้น สมุนของอวิชชาคือราคาตันหาโดยอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยจัดการงานต่างๆให้เป็นไปตามความหวังขณะที่จิตตกภวังด้วยกำลังของสมาธิอวิชชาก็พักงานไปชั่วระยะหนึ่งพอจิตถอนขึ้นมาก็เริ่มทำงานอีกตามหน้าที่ของตน แต่ไม่รุนแรงเหมือนที่ยังไม่ถูกหักแข้งหักขาจากสมาธิภาวนาดังนั้นสมาธิภาวนาจึงเป็นเครื่องมือตัดพลังของอวิชชาได้ดีเพื่อปัญญาจะได้ทำการกวาดล้างไปโดยลำดับจนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจคำว่าภาวังขจิตนี้เริ่มทราบได้จากการภาวนา เมื่อจิตรวมสงบตัวลงไปพอถอนออกมาเรียกว่าจิตออกจากผวังแล้วเริ่มยุ่งไปกับเรื่องร้อยแปดที่อวิชชาเป็นผู้บงการไม่มีวันสําเร็จเสร็จสิ้นลงไปฉนั้นจึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เหมือนงานของอวิชชาที่แพ่กระจายไปทุกแห่งผลตำบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสารและกล้าได้กล้าเสียต่องานของตน เป็นงานประจำของอวิชชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรกักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธแม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไรอวิชชาเป็นไม่ยอมถอยยุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจนผู้รับผลเกิดความชิบหายปนปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสารบังคับให้ทำ จนผู้รับใช้แหลกลานไปกับมันนั่นแหลคือความเป็นธรรมของอวิชชาทุกๆอวิชชาที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกงานที่อวิชชาพาให้ทมนั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จเหมือนงานอื่นๆ น, นอกจากแตกแขนงกว้างขวางออกไปเรื่อยๆไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้นผู้มีธรรมในใจเช่นผู้มีสมาธิปัญญาบ้าง จึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุดดังนั้นเมื่อจิตรวมลงสู่ผวังที่เรียกว่าอาวิชชาพักงานชั่วคราวจึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่งตอนที่จิตพักงานนี้แหละที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉากซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในผวังมากมาย ขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ๆใจก็ยังมีความสงบเย็นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิหล่อเลี้ยงจิตมีความสงบเพราะสมาธิมากเพียงไรก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุมากเพียงนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิจนไม่สนใจจะแก้ด้วยวิธีใดๆเพราะเป็นความสงบเย็นมากพอให้ติดได้สุดท้าย กลับเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพราะอาวิชชาแต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักเรือนนอนของอวิชชาจนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แหลผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็ไม่เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอาวิชชานี่แหลเพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำลายได้ พวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรพวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลําพังเพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาคือการสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกียจคร้านและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนพวังคจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ ไม่คิดหาทางขยับตัวเข้าสู่ปัญญาเพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบังเงาอยู่ในจิตหรือในพวังคจิตในสมาธิก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วแกล้ากล้าสามารถทำลายพวังคจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสีย พวังขจิตก็สลายหายซากไปเองผู้จะทราบพวังขจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญาอันหลักแหลมเข้าเขตคายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแหละนอกกนั้นไม่สามารถทราบได้แม้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นจากความพกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือ มหาสติมหาปัญญานีแลเป็นเครื่องสังหารทำลายผวังขจิตผวังขาวิชาพระป่าก็เขียนไปตามนิสัยป่าอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือสาและยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นักเลยเพราะพูดไม่มีแบบมีฉบับเป็นเครื่องอยืงนยันรับรองเวลาปฏิบัติก็อยู่ในป่าเวลาเรียนก็เรียนในป่าธรรมะจึงเป็นธรรมะป่า รวมแล้วมีแต่เรื่องป่าไม่มีคำว่าคำภีแฝงอยู่บ้างเลยการอธิบายวิธีเดินจงกรมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งแขนงธรรมะต่างๆที่ควรอธิบายมีสัมผัสกันเป็นตอนๆจึงเขียนวกเวียนซ้ํากไปตามความจำเป็นผู้เริ่มฝึกหัดใหม่อาจเป็นปัญหาและทาให้เกิดความราคาญอยู่บ้าง แต่อาจเกิดผลในวาระต่อไปจึงขอสรุปวิธีการทั้งสองว่าถ้าเห็นว่าการเดินจงกรมเหมาะกับนิสัยและได้รับความสงบหรือเกิดอุบายต่างๆขึ้นมากกว่าวิธีนั่งสมาธิก็ควรเดินมากกว่านั่งถ้าการนั่งจิตได้รับผลมากกว่าก็ควรนั่งมากกว่าเดินแต่ไม่ควรปิดทางของการเปลี่ยนอุรยาบท ซึ่งเป็นความสำคัญสำหรับกายที่เป็นเครื่องมือทํางานทั้งสองนี้จะเป็นวิธีใดก็คือการทำลายกิเลสสิ่งพอกพูนพบชาติและกองทุกทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแหลกรุณาทำความสนใจกับจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโลกด้วยโลกกับเราจะอยู่ด้วยกันเป็นภาสุขไม่อยู่ด้วยความเดือดร้อนนอนกลางนักเพราะจิตได้รับการอบรมพอ มีเครื่องป้องกันหลบซ่อนบ้างดีกว่าที่ไม่มีอะไรในตัวเองเวลาดับขันจะได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้สัตว์โลกเป็นไปกับกรรมดีกรรมชั่วและสวยผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างตลอดมาไม่เคยมีสัตว์ตัวใดหรือผู้ใดหลีกผลไปได้โดยไม่ยอมสวยผลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ในโลกมนุษย์ เราก็รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจทั้งท่านแล้วเราตลอดสัตว์ซึ่งมีความสุขบ้างทุกบ้างเจือปนกันไปเป็นครา ว, ราวการอบรมความดีมีศีลสมาธิสติปัญญาเป็นต้นเพื่อเป็นเรือนใจอันเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะพึงรู้เห็นในปัจจุบันวันนี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลส่วนขณะจิต ท, ที่รวมลงเป็นสมาธิ ซึ่งมีหลายขณะต่างกันตามนิสัยนั้นไม่ขอแสดงไว้ณที่นี้เกรงว่าท่านที่เริ่มปฏิบัติจะคิดคาดหมายไปต่างๆซึ่งไม่ใช่ความจริงที่เป็นเองจากสมาธินิสัยของตนที่อธิบายวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาที่ผ่านมานี้อธิบายเป็นกลางๆนำไปปฏิบัติได้ทั้งพระและคารวะ ส่วนผลคือความเป็นหนึ่งของจิตที่เกิดจากการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินั้นส่วนใหญ่คือความสงบของจิตเวลารวมลงไปถึงที่แล้วจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกันส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกันผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเป็นกังวลเมื่อได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้น และรู้เห็นนิมิตต่างๆอย่างนั้นโปรดถือหลักใหญ่คือความสงบขณะที่จิตรวมลงเป็นที่สำคัญนี้เป็นหลักรับรองผลของสมาธิโดยทั่วไปท่านที่มีความเพียรพยายามอยู่แล้วไม่นิยามว่าเป็นนักบวชหรือสาธุชนย่อมจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจากสมาธิภาวนาในวันหนึ่งแน่นอนข่าวที่เคยอ่านในประวัติของอริยส า, าวกทั้งหลาย จะกลายมาเป็นข่าวของตนในวันหนึ่งจนได้เพราะสิ่งที่เป็นกิเลสบาปกรรมและธรรมะเครื่องแก้กิเลสนั้นมีอยู่กับทุกคนและทั้งครั้งโน้นครั้งนี้ไม่ลำเยียงผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิกรรมชอบในสมาธิวิธีผลเป็นที่พอใจเหมือนอริยาสาวกในครั้งพุทธการได้รับตนจะพึงได้รับเช่นกันข้อสาคัญ อย่าคาดการสถานที่ว่าเป็นที่เกิดแห่งมรคนิพพานยิ่งไปกว่าการปฏิบัติตนด้วยมร์ด้วยชอบธรรมเถิดนี่แลเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลสกองทุกทางใจออกได้โดยสิ้นเชิงและมร์คือธรรมะแก้กิเลสโดยตรงเรื่อยมาแต่ครั้งโน้นถึงครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณานำมาแก้จิตซึ่งเป็นที่เกิดที่อยู่แห่งกิเลสทั้งมวล ให้เป็นประจักษ์ขึ้นกับใจว่าใจได้เปลี่ยนตัวจากความเคยเป็นภาชนะแห่งกิเลสทั้งหลายมาเป็นภาชนะแห่งธรรมะโดยลำดับจนเป็นธรรมะทั้งดวงใจถ้าลงได้เป็นธรรมะทั้งดวงแล้วอยู่ที่ไหนๆก็อยู่เถิดความเกิดทุกขทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลยนอกจากธาตุขันธ์อันเป็นเรือนของทุกโดยตรงอยู่แล้ว ขันก็เป็นขันและทุกก็เป็นทุกข์ไปตามเคยจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแล้วก็สิ้นซากจากความเป็นขันเป็นทุกข์ไปตามกันคำว่าอวิชชาที่เคยเรืองอำนาจบนหัวใจก็สิ้นอำนาจขาดความหมายไปในขณะที่จิตกลายเป็นธรรมะทั้งดวงไปแล้วนี่แลงานของธรรมะมีความสิ้นสุดยุติและหลุดพ้นไปได้ ไม่เหมือนงานของอวิชาซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลกสงสารไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้จึงพอนําผลมาเทียบกันดูว่างานหนึ่งไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้แม้จะทําไปกี่กับกี่กันก็พาให้หมุนเวียนอยู่ตลอดไปแต่งานหนึ่งมีทางเสร็จสิ้นลงได้ไม่ต้องวกวนขนทุกข์ให้แบกหามอยู่เรื่อยไป ทั้งสองงานนี้ผู้เคยผ่านมาพอจะทราบผลที่ผิดกันเป็นคนละโลกถ้าให้เลือกด้วยความเป็นธรรมจะเอางานไหนเพียงเท่านี้ก็พอมีทางออกได้ไม่ติดจมอยู่กับงานวนเวียนงานนั้นจนลืมสนใจคิดถึงธรรมสมบัติเพื่อตอนเองในการต่อไป การออกจากสมาธิภาวนาเวลาจะออกจากที่ภาวนาพึงออกด้วยความมีสติประคองใจถ้าจิตยังสงบอยู่ในภวังนั้นีิช่ฐานะจะบังคับให้ถอนขึ้นมาแล้วออกจากที่ภาวนาแม้ถึงเวลาจะต้องไปทำงานการหรือออกบินทบาทก็ไม่ควรรบกวนปล่อยให้รวมสงบอยู่จนกว่าจะถอนขึ้นมาเอง งานภายนอกแม้จําเป็นก็ควรพักไว้ก่อนในเวลาเช่นนั้นพร้ะ ง, งานของพระวังขจิตสำคัญกว่ามากมายจนนำมาเทียบกันไม่ได้หากไปบังคับให้ถอนขึ้นมาทั้งที่จิตยังไม่ชำนาญในการเข้าการออกจะเป็นความเสียหายแก่จิตในวาระต่อไปคือจิตจะไม่รวมสงบลงไปอีกดังที่เคยเป็นและจะเสียใจภายหลัง เพราะเรื่องทานองนี้เคยมีเสมอในวงปฏิบัติจึงควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องซ้ำรอยกันอีกการออกถ้าจิตรวมสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วหรือเวลาที่รู้สึกเหนื่อยขณะออกก็ควรมีสติไม่ควรออกแบบรพรวดพลาดไร้สติสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมะระดับตัวตามกิริยาที่เคลื่อนไหวก่อนออก ควร น, นึกถึงวิธีทรรมที่ตนเคยได้ผลในขณะที่ทำสมาธิก่อนว่าได้ตั้งสติกําหนดจิตอย่างไรนึกคําบริกรรมบทใดเช้าหรือเร็วขนาดไหนใจจึงรวมสงบลงได้หรือเราพิจารณาอย่างไรด้วยวิธีใดใจจึงมีความแยบคายได้อย่างนี้เมื่อกําหนดจดจาทั้งเหตุและผลที่ตนทาผ่านมาได้ทุกระยะแล้ว ค่อยออกจากสมาธิภาวนาการที่กำหนดอย่างนี้เพื่อวาระหรือคราวต่อไปจะทำให้ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้นเฉพาะนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วแม้ออกจากสมาธิมาแล้วสติที่เคยประคองจิตก็ไม่ควรปล่อยวางในยุรยาบทต่างๆคือยืนเดินนั่งนอนและทำข้อวัดหรือทำงานอะไรอยู่ ก็ควรมีสติกำกับคำบริกรรมหรือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวไม่ปล่อยใจให้สายแสไปตามอารมณ์ต่างๆตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์การมีสติอยู่กับคำบริกรรมหรือมีสติอยู่กับตัวกิริยาที่แสดงออกต่างๆทางกายวาจาย่อมไม่ผิดพลาดและเป็นความงามไม่แสลงหูแสลงตาผู้อื่น แม้จะมีนิสัยเชื่องช้าหรือรวดเร็วประการใดก็อยู่ในกรอบแห่งความน่าดูน่าฟังและงามตาขณะธรรมสมาธิภาวนาจิตก็สงบลงได้เร็วเพราะสติเครื่องควบคุมใจและงานที่ตนกระทำอยู่กับตัวถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ในความอารักขาจะจับมาใช้งานเมื่อไรก็ง่ายภัยก็ไม่ค่อยเกิดได้ง่ายเหมือนปล่อยไปตามยถากรรม จิตที่พยายามรักษาอยู่ทุกเวลาแม้ไม่รวมสงบลงได้ดังใจหวังก็ไม่ค่อยเที่ยวเกาะกรรมทำเข็นใส่ตัวเหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมการรักษาจิตได้แทบทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้นเป็นการบำรุงสติและจิตเพื่อควรแก่งานทางด้านสมาธิภาวนาและงานอื่นๆได้ดีงานใดก็ตามที่ผู้ทาทาด้วยความจงใจ มีสติจดจ่ออยู่กับงานงานนั้นย่อมเป็นที่น่าดูไม่ค่อยผิดพลาดตัวเองก็ไม่เป็นคนเผลอเรอเป็นคนหรือพระที่อยู่ในระดับไม่ลดฐานะและการงานให้เป็นของน่าเกลียดที่ว่าสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั้นถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งหาที่คัดค้านไม่ได้ ทั้งนี้เราจะเห็นความจําเป็นของสติในเวลาทำสมาธิภาวนาหรือการพิจารณาธรรมภาคทั่วไปสติจําต้องตามกิจการนั้นๆอยู่ทุกระยะจึงจะทราบเรื่องราวของจิตของธรรมะได้ละเอียดล อ, อสมความมุ่งหมายยิ่งผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมากเพียงไรสติก็ยังเป็นธรรมะจาเป็นทุกระยะโดยปราศจากสติไม่ได้เลย ปัญญาจะคมกล้าสามารถเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติเป็นเครื่องพยุงส่งเสริมแม้ปัญญาจะก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาปัญญาก็เป็นการแสดงถึงสติว่าต้องก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาสติเช่นเดียวกันเพราะสติเป็นธรรมะเครื่องนำทางของงานทุกชนิดคนเราธรรมดาสามัญเพียงขาดสติไปบ้างเป็นบางเวลาอิริยาที่แสดงออกไม่น่าดูเลย ยิ่งปล่อยให้ขาดไปมากแบบไม่สนใจเลยแล้วก็นับว่าจวนจะบ้าแน่นอนไม่สงสัยด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติที่บรร ล, ลุธรรมเช้าหรือเร็วแม้จะต่างกันตามนิสัยวาสนาก็ยังขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นของสำคัญอยู่ด้วยผู้เร่งรัดทางสติมากสมาธิก็ปรากฏได้เร็วคิดอ่านทางปัญญาก็ไปได้เร็วผิดกัน เราคิดเพียงงานเขียนหนังสือก็พอทราบได้คือถ้าวันใดสติเลื่อนลอยเพราะความคิดสับสนมากวันนั้นเขียนหนังสือก็ผิดๆถูกๆทั้งขีดทั้งข้ายุ่งไปหมดแต่ถ้าวันใดใจไม่ยุง่งสติมีอยู่กับตัวบ้างวันนั้นเขียนหนังสือก็ถูกดีไม่ค่อยขีดข้าอะไรนักเลยท่านที่มีชื่อเสียงกิติศัพท์กิติคุณในทางจิตทางธรรมโดยมากมักเห็นความสําคัญของสติ ท่านพยายามตั้งสติอยู่ตลอดมาไม่ยอมให้พลั้งเผลอไปได้ยิ่งเวลาทำสมาธิภาวนาพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยแล้วสติกับปัญญาต้องกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปโดยตลอดไม่ให้ขาดวักขาดตอนได้เช่นผู้นั้นทำอะไรอยู่ที่ใดก็คือผู้มีชาครารรมเครื่องตื่นอยู่กับตัวเป็นผู้มีเครื่องป้องกันตัวอย่างแน่นหนามั่นคงข้าศึกยากจะเข้าถึงได้ ภัยทางใจจึงไม่มีผิดกับผู้ไม่มีสติซึ่งเป็นพวกกอบโกยทุกเป็นไหนไหนมีเท่าไรรับเหมาจนหมดท่านอาจารย์มันท่านสั่งสอนเน้นหนักทางสติมากไม่ว่าความเพียรในท่าใดยิรยาบทใดไม่ว่าผู้เริ่มอบรมใหม่หรือเก่าท่านเป็นต้องสอนสติตามไปกับโอวาทเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมของผู้มาศึกษานั้นไม่ลดละเลย ท่านว่าท่านเคยเห็นโทษแห่งความขาดสติและเห็นคุณในความมีสติทั้งในระยะเริ่มต้นแห่งความเพียรตลอดไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางมาแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งสองอย่างประมาทไม่ได้โดยให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่านักปฏิบัติในเพศใดวัยใดก็ตามถ้าเป็นผู้สนใจกับสติอยู่เสมอไม่ได้ขาดวัขาดตอนในอริยาบทและอาการต่าง นักปฏิบัตินั้นจะพึงมีหวังได้ชมสมาธิสมาบัติมักพ้นนิพพานไม่พ้นมือไปได้เริ่มแรกแต่การอบรมขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษาเถิดความรู้สึกตนและความรู้สึกผิดชั่วดีที่เกิดกับตนและผู้อื่นนั้นอย่างไรต้องทราบได้ตามลำดับที่สติอยู่กับตัวไม่ยอมพลั้งเผลอปล่ลอยให้กิเลสฉุดลากและลวงเอาของดีไปกินเสีย ย่อมมีหวังแน่นอนโดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนักตําหนิธรรมะว่าไม่ให้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบําเพ็ญนั้นเพราะกิเลสตัวพาให้เผลอนั่นแลแอบมาทําหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นําและแอบทําหน้าที่แฝงไปกับจิตทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดาจึงทําให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจหมาย แล้วแทนที่จะตำหนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลสแต่กลับไปตำหนิธรรมะว่าไร้ผลไปเสียจึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยทายเดียวในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็นภัยต่อตนและความเพียรเจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้าออกตาอยู่กับนักปฏิบัติโดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะพอทราบได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีเลยคือขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วยท่าต่างๆโดยเริ่มตั้งสติต่อความเพียร น, นั่นแหลเป็นขณะที่จะทราบได้ว่าความตั้งสติกับความเผลอสติจะรบกันให้ผู้ปฏิบัติดูและไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลสที่คอยจดจ้องมองทีอยู่จะเป็นฝ่ายชนะและฉุดลากจิตหายเงียบไปเลย จากนาทีนั้นก็มีแต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทาความเพียรอยู่ปล่าๆถ้าเดินจงกรมก็สักแต่กิริยาว่าเดินถ้านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่งถ้ายืนเป็นเท่าครำพึงธทรรมก็สักแต่กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้นเหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆนี่เองอาเป็นความเพียรตามองของผู้บาเพ็ญอย่างแท้จริงไม่ เพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆให้เกิดได้ถูกกิเลส ต, ตัวเผลอเรอเอาไปกินเสียสิ้นแล้วเหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้นนี่แหละกิเลสทําลายคนทําลายความเพียรของนักปฏิบัติมันทําลายต่อหน้าต่อ ต, อตาและทําเอาอย่างสดๆร้อนๆ้อนด้วยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะกําลังทําความเพียร น, นั่นเอง ถ้าอยากทราบว่ากิเลสประเภทต่างๆมีความสามารถอาจเอื้อมเพียงไรยอมจะทราบได้ทุกระยะแม้ขณะจะเริ่มทำความเพียนก็ทราบได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยแต่โดยมากไม่อยากทราบกันอยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอย่างเดียวอาทราบไม่ว่าธรรมะเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสาคัญ อาจใช่เพราะความเผอเรอไม่พอที่จะไม่สนใจระวังมันอันเป็นตัวทาลายธรรมะทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ดังนี้วิธีทรรมสมาธิแบบหลวงปู่มั่นโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้พรมมัฑสิริเทารังศีดาวสิริสันนิธิลาวันนัทวิราตาตั้งจิตเจริญพรสุภาพพรเทียมบุญประเสริฐอรวรัตจตุรัตวัฒนากูลเยาวลักษ์คงคาสุวรรณนายรัฐวุฒิสิริวรพัทธ์พนอมรักษ์เพชรเสถียรครอบครัววิริยาเบนญภ า, าพันธพลอังคณามนทาทิพกุล วโรดมแก้วกล่ำเพลินพิษพระโพผีชักนิตอุทัยวัฒนาพรชัยวิรุณบันเทิงนวลจันทร์แซ่เจี้ยชนิตาทุ่งโพธนกิจไตรสรณกุลชัยสุชาติคำขจรสิทธิชัยหนูสันเทียปภาวรินบุบลิสชาญชัยทองพินและ ว, วันนิสาเมเดลร่วมกับอีกหลายท่านดูรายชื่อเจ้าภาพร่วมเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดในทุกช่องทางของชมรมพลดีนะครับ ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศลเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงท่านใดที่ต้องการร่วมบุญกับชมรมผลดีดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โจโฉดอทหรือโจโฉดอทนะครับ